บทที่สามดอกเบีย้ยกรรมแม่โจนกับโยมเตียงอยู่เฝ้าไข้ท่านพระครูจนเย็นส่วนตอนกลางคืนนั้นท่านจะให้หนรสมชายสิดก้นกุฏิและนายขุนทองผลัดเวรกันมาเฝ้าสำหรับคืนนี้จะต้องดูแลเป็นพิเศษ ท่านต้องนอนนิ่งๆไม่ขยับเขยื่อนจึงต้องให้บุรุษพยาบาลเป็นคนเฝ้าไขในแพทย์สมิ่งบอกว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะต้องใส่เฟือกที่คอเพื่อให้กระดูกต่อติดกันดังเดิมนายสมชายกับนายขุนทองจึงพาแม่จวนกับโยมเตียงกลับไปส่งบ้านสมชายพรุ่งนี้ช่วยเอาย่ามฉันมาด้วยนะ ใบสีเขียวที่อยู่ข้างที่นอนน่ะท่านไม่ได้นําย่ามใบที่ใส่ของที่ระลึกไปของที่ระลึกเหล่านี้ท่านได้มาจากบรรพชิตด้วยกันเช่นหลวงปูน่นาพระสิงห์หนในถ้ำเขาสิคริยาและหลวงพ่อเชื้อสายพมา่าในคราวเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าท่านคิดว่าหากท่านนําไปด้วย ตอนท่านมรณาภาพก็จะมีคนอื่นมาเก็บไปแล้วก็จะไม่รู้ถึงคุณค่าท่านต้องการจะให้ลูกศิษย์ของท่านซึ่งแล้วแต่ว่าพวกเขาจะจัดสรรแบ่งปันกันของที่ระลึกที่อยู่ในย่ามท่านนั้นนอกจากพระสมเด็จกับสร้อยประคำที่แกะสลักเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิแล้วก็มีพระเครื่องเงินพดด้วง แล้วก็เหรียญสมัยโบราณอีกมากมายพรุ่งนี้ท่านจำเป็นจะต้องให้พระสมเด็จแก่บุรุษพยาบาลสองนายที่เขาออกปากขอไวหลวงพ่อไม่ได้เอาไปด้วยหรอกเหรอครับนายสมชายถามไม่ได้เอาไปย่ามใบที่ฉันเอาไปด้วยเป็นคนละใบกันกับที่เคยใช้แล้วข้างในก็ไม่มีอะไรนอกจากปากกาสมุดดินสอ แล้วก็นาฬิกาปลุกสำหรับจับเวลาป่านนี้ไม่รูว่ใครเก็บเอาไปแล้วลงุงลุงอยากฉันอะไรอร่อยๆก็บอกมันนะคะพรุ่งนี้ขุนทองจะได้นำมาถวายนายขุนทองปรวรณาชีวิตข้าไม่ได้อยู่เพื่อกินของอร่อยๆเหมือนเองหรอกเชิญเองเซฟเสวยความอร่อยไปคนเดียวเถอะท่านว่าหลานชาย แม้หลงลุงแล้วก็หนูอุสาวหวังดียังมาว่าหนูอีกประเดี๋ยวหนูก็ไม่มาเฝ้าไข้ซะเลยปล่อยให้นอนคนเดียวจะได้ถูกผีสาวสาวปล้ำเสให้เข็ดเขาว่าโรงพยาบาลมีผีดุนะหลงลุงจริงไห้ฮะคุณยา่าเขาถามแม่จวนอย่าไปพูดล้อเล่นกับหลงลุงอย่างนั้นบาปกรรมเปล่าเปล่าโยมมารดาท่านพระครูห้าม นุ่เปล่าล้อเล่นค่ะเพียงแต่อยากให้หลงๆได้รับบทเรียนนะฮะคุณยา่าเขาแก้ตัวโยแม่อย่าไปว่ามันเลยเจ้าเนี่ยมันพวกคิดกรากเล็กถึงได้ชอบลามปามถั่วไปเองจะ ก, กลับก็รีบกลับได้แล้วกลับซสีก่อนที่ข้าจะออกปากไล่ท่านพระครู บ, บอกหลานชาย ครั้นผู้มาเยี่ยมค่ายลากลับไปแล้วท่านกลับรู้สึกปวดก้นอย่างแสนสาหัสในที่สุดก็ต้องนอนกําหนดปวดหนอปวดหนอเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะได้คลายความปวดลงการจิตตั้งมั่นกลับได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าจะต้องปวดแบบเนี้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเพื่อใช้หนี้กรรมที่เคยแกล้งพี่สาวให้ปัสสาวะไม่ออก ก็อย่างที่เต่าเขาบอกนั่นแหละว่าการใช้กรรมใช่ว่าจะใช้หมดในคราวเดียวท่านนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นครั้งที่เรียนวิชาสยศาสตร์กับพระเขมรแล้วนำมาทดลองกับพี่สาวจนทำให้หล่อนเกือบจะต้องเสียชีวิตแต่เราก็ใช้กรรมไปแล้วนี่นาตอนปฏิบัติกรรมาฐานคณะหวัดมหาธาตุเราก็ได้ใช้กรรมโยมพี่ไปแล้ว ท่านคิดในใจเสียงนั้นดังขึ้นที่ข้างหูอีกว่าตอนนั้นมันแค่เงินต้นส่วนตอนนี้เป็นดอกเบีย้ยโชคดีที่ท่านมาบวชนะแล้วก็เป็นพระสุปฏิปันโนไม่ฉะนั้นต้องต้องรับกรรมหนักหนาสาหัสกว่านี้ดีเท่าไรแล้วที่ท่านใช้กรรมตอนมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไม่บวชท่านจะต้องใช้กรรมตอนตายโดยที่ไปใช้ในเมืองนรก ท่านพระครูเห็นด้วยกับเสียงที่มากระซิบที่ข้างหูเห็นด้วยร้อยเปอร์เซน์ว่าถ้าท่านไม่บวชท่านก็จะยังคงไม่เชื่อว่านรกมีจริงและท่านจะสั่งสมบาปกรรมไว้มากกว่านี้หลายร้อยเท่านึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าบุคคลผู้เห็นผิดย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะบุคคลเห็นผิดแล้วจะไม่ทำความชั่วนั้นไม่มี ดังนี้แลจึงปลอบใจตนเองว่าเราจะต้องอดทนเพราะเรากำลังเสวยผลของกรรมซึ่งเกิดจากการกระทำของเราเองโชคดีเท่าไรแล้วที่ได้มาใช้กรรมในเมืองมนุษย์ฉะนั้นจงอดทนต่อไป แล้วที่คิดอย่างนี้ได้ก็ดีท่านเห็นโทษของความผิดแล้วใช่ไหมมิจฉาทิฏฐินะการที่ท่านไม่เชื่อว่านรกมีจริงเท่ากับท่านเห็นผิดคือคิดผิดไปจากความเป็นจริงพวกมิจฉาทิฏฐิจึงต้องมีนรกเป็นที่ไปเพราะเมื่อไม่เชื่อว่านรกมีก็เลยพากันทําชั่วทางกายวาจาใจครบไตรทวาน กว่าจะรู้วันนรกมีจริงกอตายไปตกนรกเสียแล้วต่อไปในอนาคตจะมีพวกมิจฉาทิฐิเต็มเมืองแล้วบ้านเมืองก็จะสับสนวุ่นวายท่านก็จะมีโอกาสช่วยเหลือพวกเขาได้บ้างคือช่วยพวกที่มีสัมมาทิฐิให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เลวร้ายได้อย่างไม่ต้องทุกข์ใจจนเกินไปแม้ท่านจะสำเร็จประโยชน์ตนที่เรียกว่า อัติหิตสมบัติแล้วท่านก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นที่เรียกว่าปารหิตตาปฏิบัติท่านจะต้องดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะได้ใช้นิมนต์มนุษย์ดังที่ได้อธิษฐานจิตเอาไว้แรงอธิษฐานจิตของท่านมีพลังมากนะไม่เช่นนั้นท่านจะตายไปแล้วท่านพระครูฟังเพลิน เพราะการฟังทำให้หายปวดก้นได้บ้างท่านอยากรู้ว่าเสียงนั้นมาจากที่ใดจึงถามในใจว่าท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงดีกับเราเลือเกินเรารู้สึกซาบซึ้งในความดีของท่านที่มีต่อเราช่วยบอกหน่อยเถอะนะว่าท่านเป็นใครเราก็เป็นเพื่อนตายของท่านยังไงล่ะเพื่อนแท้และเพื่อนตาย อ๋อสติสัมปชัญญะนั่นเองงั้นก็ช่วยบอกอีกนิดเธอว่าท่านมาอยู่กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ท่านเกิดและทำไมท่านถึงไม่ค่อยแสดงตัวถ้าท่านสอนเราตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเราก็คงจะไม่ก่อกรรมทำชั่วท่านถือโอกาสโยนความผิดให้เพื่อนแท้และเพื่อนตาย เราจะแสดงตัวก็ต่อเมื่อท่านฝึ ก, กเราก็แต่ก่อนท่านไม่เคยฝึกสติเลยโปรดรู้ด้วยว่าสติสัมปชัญญะนั้นจะมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนแต่จะนำมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อฝึกเสียก่อนเหมือนช้างมา้าวัวควายท่านจะนำมาใช้งานก็ต้องฝึกมันเสียก่อนถ้าไม่ฝึกมันก็ทำงานให้ท่านไม่ได้สติสัมปชัญญะก็เช่นเดียวกัน ถ้าท่านไม่ฝึกก็นำมาใช้ไม่ได้ unfair. และการฝึกก็ยากมากยากกว่าฝึกช่างม้าวัวควายต้องมีความเพียรความอดทนอดกลั้นจริงๆ จ, ง จ, งจึงจะฝึกได้สําเร็จนอกจากนี้ก็ยังใช้เวลาอีกด้วยไม่ใช่จะฝึกกันวันสองวันก็สําเร็จเรื่องนี้ท่านรู้ดีไม่ใช่หรือก็รู้เท่าๆกับที่ words, คนรู้นั่นแหละรู้แล้วถามทาไมว่าเราไม่แสดงตัว ถามเพื่อฆ่าเวลาไงล่ะเราต้องการถามเพื่อฆ่าเวลาท่านไม่ต้องฆ่าเวลาเวลามันฆ่าท่านเองสัตว์โลกทั้งหลายถูกเวลาฆ่าอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามผู้มีปัญญารู้ความจริงดังนี้แล้วก็จะต้องขวนขวายเร่งทำความดีหนีความชั่วพาตัวให้พ้นจากวังวนวัฏจักรชีวิต ส่วนผู้ไร้ปัญญาก็จะพากันหลงระเริงประมาทมัวเมาในชีวิตติดข้องพัวพันอยู่กับความสุขอันเกิดจากการได้เสพเสวยกรรมคุณทั้งห้าแก่งแย่งกรรมคุณกันจนเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนประทุศร้ายซึ่งกันและกันจิตถูกชักจูงไปด้วยอำนาจแห่งโลภะโทสะและโมหะจึงไม่พบกับความบริสุทธิ์หลุดพ้นต้องเวียนไหววกวนอยู่ในวัฏจักรชีวิต ต่อไปตราบนานเท่านานท่านโชคดีที่ข้ามพ้นวังวนนี้แล้วกิจที่พึงทำแกตัวเองก็จบสิน้นเหลือแต่หน้าที่ที่พึงกระทำต่อผู้อื่นช่วงชีวิตที่เหลือท่านจะต้องอุทิศเพื่อมนุษยชาติท่านจะเป็นผู้นำในทางการสร้างความดีแก่มนุษย์ผู้ยังแหวกว่ายอยู่ในสงสารสาครและเราก็จะอยู่กับท่านตลอดไปจนกว่าท่านจะละสังขาร ท่านพระครูฟังเพลินจนลืมปวดครั้นเสียงที่ได้ยินหายไปแล้วจึงรู้สึกปวดหนบเบขึ้นไม่อีกจึงพูดกับเวทนาว่าเจ้าเวทนาเอย๋ยเชิญท่านทรมานเราให้พอนะเราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองท่านแต่ประการใดหน้าที่ของเราคืออดทนเราจะอดทนไปจนกว่าจะตายและเมื่อเราตายเสียแล้ว ท่านก็จะทรมานเราไม่ได้อีกต่อไปจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตกลงปลงใจช่วงเวลาที่ท่านนอนอาพาธอยู่ในโรงพยาบาลนี้ท่านจะใช้เวลาช่วงกลางคืนสวดพระธรรมจักรหรือชื่อเต็มว่าธรรมจักกปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาหรือเทศกันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่คณะปัญจวคี สมัยที่ท่านย้ายจากวัดปรมบุรีมาจำพรรษาที่วัดป่ามะม่วงใหม่ๆมีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งแนะนำให้ท่านสวดธรรมจักให้ครบพันจบแล้วจะเจริญด้วยวัตถุธรรมและาศาสนธรรมท่านจึงเริ่มสวดตั้งแต่ปี2509ถึงเวลานี้ก็เกือบ12ปีแล้วแต่ยังไม่ครบเพิ่งจะได้719จบเท่านั้น ยิ่งในระยะหลังๆที่ท่านมีงานมากก็ไม่มีเวลาสวดเลยท่านตั้งใจว่าจะต้องสวดให้ครบภายในปี2526ซึ่งยังเหลือเวลาอีก5ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526เป็นต้นไป วัดของท่านจะมีผู้คนหลั่งไหลามาปฏิบัติกันมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและเมื่อมีอคันตุกะมากวัตถุธรรมก็จาเป็นจะต้องมีที่พักที่ปฏิบัติธรรมอาหารน้ำไฟเพื่อสะดวกต่อการดำเนินชีวิตและเอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติหากท่านสวดธรรมจากครบพันจบเงินจะไหลนองทองจะไหลามาสู่วัดของท่าน และท่านก็จะนำเงินทองนั้นมาใช้จ่ายในการสร้างคนให้เป็นคนดีด้วยการเจริญวิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่บุคคลต่างๆที่เคยเกี่ยวข้องกับท่านทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติจะพากันมาให้ท่านชดใช้กรรมท่านจะช่วยพวกเขาเจนสุดความสามารถพระชาติหน้าท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้ว เมื่อนายสมชายกับนายขุนทองกลับมาถึงวัดจะต้องพบกับความสับสนโอนละเวงนั่นคือปีพาดมอนสองคณะกำลังทะเลาะกันเพราะต่างก็ถูกว่าจ้างให้มาเล่นในงานสวดพระอภิธรรมศพจเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความหวังดีของพระมหาบุญและนายแพทย์สมมิ่งที่ต่างก็ไปว่าจ้างมาคนละวงวงหนึ่งก็มาจากบ้านเหนือ อีกวงหนึ่งมาจากบ้านใต้เมื่อมาประจันหน้ากันจึงเกิดความสับสนขึ้นคลัดในายสมชายแจ้งว่าท่านพระครูยังไม่ได้มรณาภาพต่างวงต่างก็เก็บเครื่องกลับบ้านตนถืออย่างไรก็ไม่ขาดทุนเพราะได้เงินมัดจํามาแล้วเนื่องจากไม่มีผู้ใดมาส่งข่าวท่านพระครูมิได้มรณาภาพคนที่วัดจึงไม่รู้เรื่องและจัดแจงงานศพไว้อย่างเรียบร้อย นายสมชายกับนายขุนทองได้รับมอบหมายให้พาแม่จวนไปรับศพที่โรงพยาบาลส่วนพระมหาบุญและพระเนนตลอดจนแม่ชีอุบาศกอุบาสิกาเตรียมงานมีแต่พระบวยเวยวเท่านั้นที่ทำใจไม่ได้จึงอธิษฐานจิตเข้าผลสมาบัติอยู่ในโบสถ์เป็นเวลาสามวันคิดว่าออกจากผลสมาบัติแล้วคงพอทำใจได้บ้าง อีกประการหนึ่งท่านก็ได้รับมอบหมายให้สอนกรรมฐานหลังจากที่ท่านพระครูไม่อยู่แล้วคงเป็นงานหนักที่สุดในชีวิตและท่านก็จะทําให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกะตะเวทีต่ออุปชาัยยาอาจารย์ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่วัดป่ามะม่วงที่ไม่รู้ว่าท่านพระครูมิได้มรณาภาพจึงมีแต่พระบัวเหียวเท่านั้น เพราะท่านเข้าผลสมาบัติอยู่ในโบสถ์หลังจากที่ท่านพระครูออกจากวัดไปได้สักครึ่งชั่วโมงเมื่อรู้ว่าท่านพระครูยังมีชีวิตอยู่บรรดาพระภิกษุสมณีนแม่ชีอุบาสกและอุบาสิกาแห่งวัดป่ามะม่วงต่างพากันยินดีปรีดาและอยากจะไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลหากติดอยู่ที่ว่าไม่มีรถพระมหาบุญจึงเรียกในสมชายมาสั่งการ สมชายคุณไปว่าจ้างรถบัสมาสักคันดีไหมพวกเราอยากจะไปกราบเยี่ยมหลวงพ่อดีครับหลวงพี่แต่ผมขอเสนอว่าควรจะไปวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้ก็เย็ยนมากแล้วหมอเขาคงอยากให้หลวงพ่อพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปดีไหมครับชายหนุ่มออกความเห็นก็ดีเหมือนกันอาตมาลืมนึกไป มัวแต่ห่วงหลวงพ่องั้นพรุ่งนี้คุณไปว่าจ้างรถในจังหวัดให้มารับก็แล้วกันท่านบอกคนขับรถของท่านพระครูบุคคลที่ยินดีมากกว่าใครๆเมื่อรู้ว่าท่านพระครูไม่ได้มรณาภาพคือพระมหาบุญทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะท่านได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงให้รักษาการเจ้าอาวาสไปก่อน จนกว่าทางการจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นพระวัดอื่นหรือพระวัดป่ามะม่วงซึ่งถ้าเป็นกรณีหลังบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งก็ต้องเป็นท่านถ้าท่านไม่ถนัดเรื่องการบริหารและไม่เคยคิดอยากเป็นเจ้าอาวาสจึงยินดีปรีดากว่าใครเพื่อนที่รู้ว่าท่านพระครูยังมีชีวิตอยู่ หลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างอาการหนักมากไหมท่านถามในสมชายหากในขุนทองชิงตอบเชก่อนว่าท่านไม่เป็นอะไรหรอกฮาหลวงพี่ยังด่าได้อยู่แสดงว่าอาการไม่เข้าขั้นโคมา่างั้นหรือท่านด่าใครละ่ะหลวงพ่อใช่ว่าจะด่าใครง่ายๆนะพระมหาบุญไม่อยากจะเชื่อด่าหนูนี่แหละแม้เราหรืออุตส่าห์เป็นห่วง แต่ท่านกลับมาดา่าด่าเป็นชุดเลยหาหลวงพี่หนูเนี่ยเจ็บใจจริงๆหนุ่มขุนทองลอยหน้าลอยตาพูดจริงหรือสงชายพระมหาบุญต้องการพยานยืนยันหลวงพี่อย่าไปฟังมันนะครับเจ้าหมอนเนี่ยมันเวอร์ก็รู้ๆกันอยู่นายสมชายไม่เข้าข้างเพื่อนเพราะเป็นคนบริสุทธิธรรม อาตมาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคนอย่างขุนทองพูดอะไรต้องเอาห้ า, าหารเอาล้านลบเสียก่อนที่เหลือจึงจะเชื่อได้พระมหาบุญว่ายังเชื่อไม่ได้ครับหลวงพี่ต้องเอาตักแกลงมาร่อนอีกครั้งหนึง่งจึงจะเชื่อได้นายสมชายเสริมสนุกใหญ่เลยนะทั้งหลวงพี่ทั้งพี่สมชาย พากันรุมว่าหนูใหญ่เลยเอาเลยก็หนูมันหัวเดียวกระเทียมรีบนี่หลวงพี่บัวเหวียวก็เข้าผลสมาบัติเสียไม่งั้นหนูก็พอจะมีพวกบ้างเองแน่ใจหรือว่าท่านจะเข้าข้างเองนายสงชาย ย, ออย่ะหยันแน่จะยิ่งกว่าแช่แป้งพนันกันไหมล่ะเขาท้าข้าไม่พนันกับคนอย่างเองหรอก ขืนพนันไปก็เสียทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะถ้าข่าชนะเองก็หาว่าข่าขี่โกงแต่ถ้าเองชนะก็จะเอาค่าไปประจานให้คนอื่นเขารู้กันทั้งจังหวัดสรุปแล้วค่าเสียเปรียบอยู่วันยังคำ่ำเอาละเอาละอ่าตมาขอบินทบาทอย่าได้เถียงกันอยู่เลยเป็นอันว่าพรุ่งนี้พวกคนในวัดจะได้ไปเยี่ยมหลวงพอ่อ ฉะนั้นคืนนี้อาตามาก็จะนำพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานและพร้อมใจกันอุทิศส่วนกุศลให้หลวงพอ่อท่านจะได้หายเร็วๆพระมหาบุญสรุปและหนูต้องปฏิบัติด้วยหรือเปล่าฮะคุณทองอยากรู้ก็หนูอยู่วัดหรือเปล่าล่ะท่านมหาย้อนถามอยู่นะอยู่หรอกฮะ แต่ว่ายังไม่เคยปฏิบัติยังไม่เคยขึ้นกรรมฐานคงทําความยุ่งยากลําบากให้กับผู้สอนไม่น้อยและอีกอย่างหนึง่งหนูก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้หลวงพี่โวเฮียวสอนในเมื่อหลวงพี่ท่านมาเข้าผลสมาบัติเสียแล้วหนูก็เลยไม่มีคนสอนเอาไว้หลวงพี่ออกแล้วหนูค่อยเรียนดีกว่าหนูรู้ว่าตัวเองใกล้เกลือกินด่างเขาชิงว่าตัวเองเสียก่อน ที่จะถูกพระมหาบุญหรือไม่ก็ในสมชายว่าเช้าวันรุ่งขึ้นพวกนักข่าวก็พากันมาเต็มโรงพยาบาลเพื่อจะสัมภาษณ์ท่านพระครูทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรีได้พาดหัวข่าวฉบับวันที่15ตุลาคม 2521ว่าพระอรหันต์คอหักไม่ยักตายรายละเอียดข่าวก็อ้างอิทธิปฏิหารและสรุปว่าที่ท่านไม่มรณภาพเพราะเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในความเข้าใจของเขาก็คือผู้มีฤทธิ์เดชสามารถฝืนกฎธรรมชาติเช่นความเป็นความตายได้ซึ่งการออกข่าวเช่นนั้นถือเป็นการเข้าใจศาสนาอย่างผิดผิด จึงเป็นหน้าที่ของท่านพระครูที่จะต้องอธิบายชี้แจงให้พวกเขาเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมครับนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งถามพร้อมกับจ่อเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กตรงปากท่านเขาออกเสียงอรหันต์เป็นอรหันต์ทำไมโยมถึงคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์ ท่านออกเสียงเป็นอรหันต์ก็หลวงพ่อคอหักแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ต้องตายไปแล้วเขาตอบโยมเข้าใจผิดนะโปรดเข้าใจเสี้ยวใหม่ให้ถูกต้องอย่าไปคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์เพราะโยมจะคิดอย่างนั้นไม่ได้ทำไมถึงคิดไม่ได้ล่ะครับเพราะปุถุชนจะพยากรความเป็นอรหันต์ไม่ได้ ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งผู้ที่บรรลุอรหันต์จะไปเที่ยวบอกคนโน้นคนนี้ก็ไม่ได้แล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าใครบรรลุหรือไม่บรรลุถ้าเป็นสมัยพุทธกาลบุคคลก็จะรู้ว่าใครบรรลุอรหันต์ก็คือพระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้ผู้ที่จะรู้ได้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยการคนอื่นที่ไม่ได้เป็นจะมารู้ไม่ได้ อันนี้พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นะไม่ใช่อาตมาคิดขึ้นมาเองอาตมานั้นไม่ใช่ศาสดาถึงจะทำเท่นนั้นได้และพระอรหันตุกองค์ต้องมีฤทธิ์อย่างหลวงพ่อหรือเปล่าครับเขาพยายามจะตะล่อมให้ท่านพระครูยอมรับว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านพระครูรู้ทันจึงตอบว่าโยมยังไม่เข้าใจยังแยกไม่ออกระหว่างความเป็นอรหันต์กับ ความเป็นผู้มีฤทธิ์สมัยพุทธกาลคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็มีอยู่มากอย่างเช่นจตินสามพี่น้องและบริวารซึ่งเข้าใจว่าพวกตนเป็นพระอรหันต์เพราะว่าสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ต่อเมื่อพระพุทธองค์มาโปรโดก็จึงได้รู้ว่าพวกตนไม่ได้ดสำเร็จเป็นพระอรหรันต์ แปล ว, ว่าเป็นพระอาหารหันต์กับความสามารถแสดงฤทธิ์ได้เป็นคนละเรื่องกันล่ะครับถูกแล้วผู้ที่จะเป็นพระอาหารหันต์จะต้องปฏิบัติวิปัสนาจนกิเลสต่างๆหมดสิ้นไปส่วนผู้สามารถแสดงฤทธิ์ได้ต้องเจริญฌานสี่แล้วอธิษฐานจิตขอให้ได้อภิญญาฉะนั้นท่านที่เป็นพระอาหารหันต์อาิษฐานฤทธิ์ไม่ได้หากไม่ได้สําเร็จฌานสี่ และผู้ที่ได้อภิญญาก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระอระหรันต์ถ้าไม่ได้เจริญวิปัสสนาจนสามารถทำลายกิเลสได้หมดสิน้นแล้วมีไหมครับคนที่เป็นพระอระหรันต์ด้วยมีฤทธิ์ด้วยมีมากมายเชีละนี่อาตมาหมายถึงสมัยพุทธกาลนะพระอระหันต์เป็นผู้มีฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเช่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระอนุรุทธะ พระรัฐบาลพระอุบลวรรณาเทรีเป็นต้นท่านพระครูพยายามอธิบายนั่นเป็นสมัยพุทธกาลครับแต่สมัยนี้เป็นพระอารหาันด้วยความสามารถแสดงฤทธิ์ได้ด้วยก็คือพระครูเจริญวัดป่ามะม่วงเขาสรุปพอดีกับในแพทย์ส ม, มิ่งส่งบรุษพยาบาลมานำท่านพระครูไปยังห้องฝึกการสัมนา จ, จึงยุติลง